พระครูการุญยะธรรมนิวาดหลวงปู่หลวงคต ะ, ะปุญโยวัดป่าสำราญนิวาดอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบหก ธรรมะที่ควรจะรู้และธรรมะที่จะต้องรู้ความจริงความจริงของเขานั้นไม่เที่ยงแต่ว่าเราอย่างไม่รู้ ก็ถือว่าเป็นของเที่ยงความจริงของเขาไม่งามไม่สวยแต่เราก็ถือว่าเป็นของสวยงามอยู่ความจริงของเขาเป็นของปฏิกูลแต่เราก็ถือว่าเป็นสุภะ เป็นของดีอยู่ความจริงของเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนก็ถือว่าตนเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ กายของเราทุกคนนี oui. Clone, ้หาสาระแก่นสารไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดและพวกคาซั์ก็หาสาระแก่นสารไม่ได้เหมือนกัน สมบัติในโลกสุดท้ายก็แตกดับกลับไปสู่สภาพเดิมไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเราอยู่ในโลกนี้เป็นของที่ไม่เที่ยนแท้แน่นอนฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราพากันนำสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารนี้มาทำให้เป็นสิ่งที่มีสาระแก่นสารขึ้นคือศีลไม่มี ก็พากันรีบรักษาภาวนาไม่มีก็ให้รีบพากันเจริญทานไม่มีก็ให้พากันรีบทา พวกเรามาพิจารณารูปร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงสภาวทธาตุสภาวธรรม คือดินน้ำลมไฟผสมกันอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายก็แตกดับตายไปเป็นผี เขาก็กลับกลายเป็นขี้เท่าฝังก็กลับกลายเป็นดินหาสาระแก่นสารไม่ได้เมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ ก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตัดความโลภความโกรธความหลงอิจฉา ปัญหาออกจากใจได้มันก็เป็นสุขพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า8 4 0 0 0พระธรรมขนันธ ก็มาสอนที่ใจมาแก้ที่ใจของเรานี้เองเพราะว่าใจของคนเราทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เดือดร้อน ความโลภความโกรธความหลงเป็นผีอยู่ในตัวเราทุกคนทุกคนที่เกิดมานี้ มันจึงเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะความมีมีอะไรมันมีความโลภก็เป็นทุกข์มีความโกรธก็เป็นทุกข์ ความหลงก็เป็นทุกข์มีความรักก็เป็นทุกข์มีความชังก็เป็นทุกข์เช่นถ้ามีความโลภแล้วก็ต้องวิ่งหา กว่าจะได้ก็แสนทุกข์แสนยากเป็นสิ่งที่ได้มาแล้วมันแตกตายไปก็เป็นทุกข์อีกมีความชังก็เป็นทุกข์เช่นเกลียดชังคนใดแล้ว ว่าชื่อคนนั้นก็โมโหอยากไปตีไปฆ่าเขานั้นมันเป็นตัวทุกข์แหละจึงว่าทุกข์เพราะความมีตัวใจนั้น เป็นอมตะธาตุคือไม่ตายจะไปนรกสวรรค์ก็ใจนั่นแหละเป็นตัวไปความสุขความทุกข์ก็ตัวใจนั่นแหละเมื่อใจดีแล้วมันดีทุกอย่าง ถ้าใจไม่ดีแล้วก็ไม่ดีสักอย่างเมื่อใจดีใจสบายอยู่ไหนก็เป็นสุขเขาด่าก็ไม่โกรธคือคำด่านั้นเปรียบเหมือนกับไฟ เขาโยนไฟมาให้เราไม่รับเอาไปก็ไม่ไหมเราถ้าเขาด่าแล้วเรารับเอาก็เปรียบเหมือนเรารับเอาก้อนไฟจากเขา ไฟก็ไหม่ตัวเราและไหม่ตัวเขาด้วยคือคนด่ากับคนถูกด่านั้นมีค่าเท่ากันและความเจ็บความแก่ความตายมันก็อยู่ที่ร่างกาย ส่วนใจนั้นไม่แก่อะไรหรอกที่เจ็บที่แก่นั้นเพราะใจมันยึดมันถือถือว่าเป็นตัวตนของเราใจจึงเศร้าหมองใจโลภใจโกรธใจหลง ใจอิดชาพยาบาทนั่นแหละมันจึงเจ็บจึงปวดขึ้นมามายึดมาถือเอาสิ่งต่างๆขึ้นมาในใจของเราจึงว่าใจมันทุกข์เพราะไม่มีพุโทโธ ไม่มีธร e ม m o ไม่มีสังโคฉะนั้นให้พวกเรามันจเจริญเมตตามันจเจริญกรรมฐานภาวนา สร้างคุณงามความดีเพราะว่าชีวิตของเราไม่เที่ยนแท้แน่นอนชีวิตคนเราไม่มีเครื่องหมายนายประกันจะตายวันนี้หรือตายวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็รีบสร้างคุณงามความดีเสียตุลิตะตุลิตังสีขะสีคังรีบรีบด่วนด่วน รีบทำคุณงามความดีเสียทานไม่มีก็ให้รีบทำศีลไม่มีก็ให้รีบรักษาภาวนาไม่มีก็ให้รีบเจริญทำให้เกิดให้มีขึ้น สละเวลามานั่งกรรมาฐานภาวนาทำใจให้สงบก็จะพบแต่ความสุข